สิกขาบทที่10ว่าด้วยการไม่หลีกการิษไปเรื่องภิกษุณีหลายรูป๙๗๓สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครือครั้งนั้นพวกภิกษุณีอยู่จำพรรษาในเมืองราชครือนั่นแหละตลอดฤดูฝนอยู่ในเมืองราชครือนั้นตลอดฤดูหนาวอยู่ในเมืองราชครือนั้นตลอดฤดูร้อน คนทั้งหลายตำหนิประนามโพรท น, นาว่าทิศทั้งหลายคงคับแคบมืดมนสําหรับภิกษุณีภิกษุณีเหล่านี้จึงมองไม่เห็นทิศทางภิกษุทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตานําหนีประนามโพลท น, นาลําดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ